คำคาว่ากุติกาเนี่ยนะกุติกุติเนี่ยนะกุติกาเนี่ยแปลว่ากุติ น, นะกุตินี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีตรงนี้มีเจ็ดความหมายนะ <Okay. S 1> คำว่ากระท่อมกุติเนี่ยนะมีเจ็ดความหมายแต่ในที่นี้แปลว่าอัตภาพอัตภาพนั่นแหละหมายถึงร่างกายนะกุติหมายถึงร่างกาย ร่างกายในพฟฟระไตรปิฎกเนี่ยใช้อุปมาอยู่เจ็ดความหมายด้วยกันเจ็ดเจ็ดอุปมาณนะร่างกายเนี่ยดูว่าจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ใช้ก็บอกหูไม่มีใครรู้จักคาว่าบ้านเท่าเราในของมานถึงรู้จักกายด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะบ้านม่หมายถึงกายด้วยเหมือนกันก็อบอกว่าอัตภาพนี้มีความหมายว่าร่างกายานะ กายก็เหมือนประโยค์ว่าดูก่อนพิสุนทั้งหลายกายนี้เองของบุคคลเนี่ยเป็นที่รวมแห่งอวัยวะไม่ใช่น้อยมีวิชาเป็นเครื่องกัน้นประกอบแล้วด้วยตันหาประชุมกันแล้วและมีนามรูปในภายนกอกนะกายเนี่ย น, นี่หมายถึงอัตภาพนะในพระไตรปิฎกนี้กล่าวถึงอัตภาพใช้ศัพท์ว่ากายก็มีหรือใช้ศัพท์ว่าเรือก็มี่นนมาดูก่อนพิกษุ เธอจงวิดเรือลำนี้เรืออันเธอวิดแล้วจกถึงฝั่งได้เร็วอันนะคําว่าเรือเป็นชื่อของร่างกายใช่ไหมวิดก็คือวิดคือตักน้ำออกตักน้ำออกน้ำคืออะไรกิเลสถึงฝั่งคือนิพพานนี่นะถึงฝั่งคือนิพพานถ้าร่างกายเหมือนเรือกิเลสเหมือนน้ำที่มันท่วมเรือนะก็ตักออกแล้วก็เรือจะได้ถึงฝั่งเหมนกัน มันเห็นเรือเมื่อไหร่ก็นึกถึงกายอันนี้ได้เลยนะีอีกนายหนึ่งเขาบอกว่ามีความหมายว่าเรือนนะนะอย่างอันนี้กชาติสังสารังสัรค์ทวิสังอันนี้พิสังเนี่ยนะกะหาการังคเวสันโตเนี่ยว่าดูก่อนนายช่างผู้ทําเรือนยอดเรือนเราหักแล้วเนี่ยนะหมายถึงเรือนคือสิริระของพระ อ, องค์อ่ะนะยอดเรือนคือวิชาเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยหักแล้วตันหาเนี่ยเป็นตัวสร้างอัตภาพมาเนะี ปองอุทานแรกตรัสรู้ว่าเมื่อเราไม่พบตันหาไม่พบนายช่างผู้สร้างเรือนใช่ไหมก็ต้องเที่ยวเกิดไปเรื่อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ตอนเนี้รู้จักท่านแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วนะยอดเรือนของท่านเราก็รู้เสียแล้วเนี่ยนะคำว่าเรือนก็เป็นชื่อของร่างกายหรือขันห้านั่นแหละนายช่างผู้สร้างเรือนก็เป็นชื่อของ ตันหาย่อเรือนก็เป็นชื่อของอวิชาเพราะฉะนั้นเห็นเรือนที่ไหนก็อ่าเรือนเรือนภายในกับเรือนภายนอกอันนะของเรานี่ช่างเขาสร้างอยู่หรือเปล่าหรือว่าติดต่ออยู่สร้างตลอดติดต่ อ, <c oughs> ตตอสร้างไว้เรือยนะหรือบางทีมีความหมายว่าถ้าก็มีนะว่าอย่างใน <c oughs> ในคุหาสุตะนิเทศอนะในในมหานิเทศ <c oughs> ว่า นรชนผู้ข้องอยู่ในถ้าคือกายถูกกิเลสเป็นอันมากปกปิดไว้แล้วดํารงอยู่ด้วยอํานาจกิเลสมีราคาเป็นต้นอย่างลงในกามาคุณเครื่องทําจิตให้ลุ่มหลงเนี่ยนะปุตุชนเนี่ยคนทั่วๆไปปกติก็ติดข้องในถ้ำคือคือกายเนี่ยนะในอัตภาพนี้แหละทีนี้พอติดข้องในกายอย่างนี้แล้วอะไรทํางานบอกกิเลสก็ปกปิดหุ้มพอดํารงอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสใช่ไหม ทีนี้พอกิเลสเพียบพร้อมบริบูรณ์ยึดติดข้องในในกายอย่างนี้เต็มที่ถามว่าทำไงต่อไปก็ไปหยั่งลงในกามาคุณ น, นะเมื่อมีตาก็ไปหาสีมีหูก็ไปหาเสียงมีจมูกก็ไปหากลิ่นมีลิ้นก็ติดตามหารสมีกายก็เนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาที่หลับที่นอนเลยเกันไปหาโพธิภพที่มันอุ่นๆเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ติดข้องในร่างกายก็หยั่งลงในกามาคุณ ทีนี้กามาคณนและจิตเขาเป็นยังไงอ่ดยมากนะจิตก็ลุ่มหลงเห็นไหมติดในภายในสแสวงหาวัตถุภายนอกจิตลุ่มหลงอ่ะนะสูตรเขามีอย่างงี้ ล, ง ล, ลุ่มหลงเล็งเห็นอสสาธะนะตรตอร่อไปนะคุณสาธยายว่าเป็นอสสาธะอยู่อเล็งเห็นอสสาธะอยู่นะแปลว่าน่ายินดี บางทีคําว่าอัตภาพหรือร่างกายหมายถึงรถก็ได้นะหมายถึงชื่อว่ารถนางประโยคเป็นต้นว่ารถคืออัตภาพมีศีลอันหาโทษไม่ได้มีหลังคาคือบริขารขาวมีกรรมคือสติอันเดียวเนี่ยเล่นไปอยู่เป็นคาว่าอัตภาพขันห้าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับรถเนี่ยนะหรือมีในความหมายว่าที่อยู่อาศัยก็ได้ว่าท่านจักทําเรือนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะ อันนี้หมายถึงที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นชื่อของอัตภาพทั้งนั้นนะในที่เจ็ดก็บอกกูตีนี่นะกูตีคืออัตภาพมีหลังคาอันเปิดแล้วไฟดับสนิทแล้วหลังคาคืออะไรหลังคาเกอวิชาเนาะปกคลุไมไว้ไฟคือกิเลสอ่ะนะเพราะนั้นอัตภาพอัตภาพคือเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำว่ากายก็มีหนึ่งนะกายสองเรือสามเรือนสี่ถ้ำห้ารถหก ที่อยู่อาศาัยเจกุติเนี่ยนะก็มีอยู่เจชื่อนะอัตภาพอันนี้ในคาถานี้ก็เรียกอัตภาพว่ากุติหรือกระท่อมอธิบายว่าอัตภาพนี้่ะจะมีได้ก็เพราะอาศาัยปัทวีทาธาตุเป็นต้นอัตภาพเนี่ยปัทวีอาโปเตโชและวาโยและภาษะเป็นต้นที่หมายรู้กันว่ากระดูกเป็นต้นคือปัทวีธาตุที่หมายรู้กันว่ากระดูกเป็นต้นนะนะถ้าเป็นปัทวีนะ แล้วก็เป็นที่อาศัยแห่งภาษะเหมือนกระท่อมที่ได้นามว่าเรือนจะมีเป็นเรือนได้ก็เพราะอาศัยทับประสมภาระมีไม้เป็นต้นอัตภาพนะที่มีอยู่ได้เนี่ยที่เรียกว่าอัตภาพเพราะปฐวีอาโปเตโชและวาโยเมื่อปฐวีอาโปเตโชวาโยประกอบไปด้วยสีกลิ่นรสเป็นต้นมีภาษาธรูปเป็นที่ตั้งแห่งภาษาเวทนาสัญญาเนี่ยนะอันนี้เลยเรียกว่าอัตภาพ เหมือนกับกระท่อมหรือเรือนที่จะได้ชื่อว่าเรือนก็เพราะว่ามีทัพปะสัมภาระมีเสามีฝ้ามีหลังคามีห้องมีที่มุ่งที่บางอ่ะนรเลยมีองค์ประกอบก็เลยเรียกว่ากระท่อมทีนี้ไอ้กระท่อมภายในเนี่ยนะเป็นที่อยู่ใครใครอยู่อาศัยกายนี้อยู่เ<ม>ขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของลิงลิงคือจิตเหมือนนเหมือนคำที่ว่ากระท่อมคือร่างกระดูกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของลิงคือจิต นะนมาอยู่นี่จังไกสอนเที่ยวไปกี่จังหวัดแล้วมานิ้อ๋อไม่ค่อยได้ไปถหานะไม่ค่อยเลยมากงวันนี้ก็ไปถึงกรุงเทพนี่ะย้อนยุกด้วยนะนั่นแหละคิดไปเรื่อยนั่นะนะก็มีจิตนั่นแหละพาไปแล้วเพราะฉะนั้นลิงคือจิตเนี่ยกระเสือกกระสนจะออกจากกระท่อมที่มีห้าประตู พยายามวิ่งปนวิ่งวนไปวิ่งวนมาไปทางประตูบ่อยๆนะก็ดูนะมันวิ่งไปทวารตามบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปดูแลเดี๋ยวก็วิ่งไปทวารหูบ้างวิ่งไปทวารจมูกบ้างนะนี่ถ้ามันเป็นรูปสงสัยมันจะเหนื่อยแย่นะแต่นี่นเป็นนามธรรมอนะเพอวัตถุ ก, กระอารมณ์กระทบการเข้ามันก็เกิดแล้ววัตถุอารมณ์กระทบก็เกิดแล้ทั้งทุกทวาร น, นะก็เป็นอย่างนั้น ก็และกระท่อมคื อ, อกระท่อมคืออัตภาพนี้นั้นน่ะท่านกล่าวว่าอันพัทธิระปิดบังแล้วเพราะจิตที่กิเลสรั่วรถเนี่ยชุ่มไปด้วยราคะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งอสังวรท ว, นะวานเนี่ยนะทวานเนี่ยนะมันมีทวานที่ไม่สังวรเลยนะหยาบหยาบเห็นง่ายๆคือทวานกายทวานวาจาและทวานใจนะทำไม้สังวรก็เป็นอย่างนั้นนะ ทวารกายนี่เห็นชัดวาจาก็เห็นชัดทวารใจเนี่ยผู้นั้นอ่ะจะเห็นชัดว่าเป็นยังไงตัวเองอ่ะนี่ไม่สังวรนี่รู้ง่ายหรือรู้ยากง่ายนะอันนี้อสังวรทวารทีนี้ช่องมีหกช่องช่องไหนบ้างช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายช่องใจถ้าแปดช่องอ่ะเป็นยังไงแปดช่องแปดช่องก็คือตาหูจมูกลิ้นกายกายวาจาใจแปดใช่ไหม อะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายกายยะระษาทะก่อนเสร็จแล้วก็โจประนากายก็คือไอ้กายขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวนะนีกว่าจาและใจคือกายเนี่ยถามว่ายกมือกระรับกระทบเนี่ยอันเดียวกันไหมไอ้กายที่รับกระทบเรียกภาษาทะกายที่ยกมือยขยับเขยื้อนเรียกว่าโจประนกายกายเลยแบ่งออกเป็นสองนี่นะวาจาหนึ่งใจอีกหนึ่งใ ย่อลงมาก็เหลืออะไรเหลือทวารสามกายวาจาใจขยายไปอีกก็เป็นแปดเออเป็นหกหรือเป็นแปดเนี่ยนะจริงก็สิ่งเดียวกันเนี่ยแต่เป็นการเป็นการรู้จักย่อขยายเป็นอ่ะนะกายยประสาทะกับโจปรนากายนะการขยับเพยยื่อนเพื่อนไวเรียกว่าโจปรนากายก็คือกายกรรมนั่นแหละกายกรรมกับกายยประาษาธะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ กุาอนะันน่ะกายภาษาท่าก็รับประทบโพธพารมใช่ไหมกายกายวิญญาตอ่ะนะก็คือกายกรรมอนะันนั่นอ่ะผลพระเทระเนี่ยท่านสํารวมแล้วด้วยปัญญานะท่านสํารวมทวารกะสทะวารหทวาร8หรือว่าทสช่องหช่อง8ดช่องเนี่ยท่านปิดมดด้วยปัญญาแล้วก็ปิดกั้นโดยชอบนั่นเองอ่ะนะ ปิดกั้นยังไงอ่ะนะกายวาจาใจหรือปิดช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านทํำยังไงอ่ะนะท่านทำด้วยปัญญาก็คือพิจารณาสิ่งหลั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็แล่นให้แล่นไปสูงอริยมรรคพิจารณาสิ่งเหล่า น, นั้นทั้งหมดเป็นทุกข์แล้วแล่นพิจารณาไปสู่อริยมรรคหรือพิจารณาสิ่งเหล่า น, นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเข้าพระสมบัตินั่นเองอ่ะนะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สังวรสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริง คือทวารเหล่านี้นะเราไปปล่อยตามไม่ได้ไปไล่ตามไม่ได้ไล่ไปเมื่อไหร่ก็เสียหายทุกทีนะนเสียหายหมดอ่ะนะนะจะสร้างหลังใหม่อยู่เรื่อยนะโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราตถาคตกล่าวการสำรวมระวังกระแสทั้งหลายเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญานะ กล่าวปิดสํารวมปิดกั้นกระแสอันนั้นด้วยมัคคปัญญานะที่เรียกว่าคนที่จะห้ามทวานทั้งหกได้นะทะวาน ท, ทวานสามทวานหทวานแปดถ้าใครจะสํารวมได้จริงต้องทําได้ด้วยมัคคปัญญาเนี่ยนะก็คงจํานะ้ตมหาตุกะสูตรของเราได้นะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตาหูจมูกลิ้นกายใจเสีย ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขใช่ไหมและพ่อหลวง ก, ก็อุปมาว่าเห็นไหมเนี่ยย่าในพระเชตวันเนี่ยเขาตัดอะไรเนี่ยเธอเดือดร้อนไหม น, นะมองไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ถือว่าเป็นของเราใช่ไหมมาที่ศาราวัดเนี่ยนะสาราปลวกมันกินจนเสาจะขาดแล้วก็เราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเร า, านะ <c oughs> <c oughs> นั่ถ้าไม่ได้ถือว่าเป็นของเรานี่สุกไปเยอะแล้วใช่ไหมเห็นง่าย <im Mandarin> ๆเลยนะ <im Hebrew> ถ้าเราถือว่าเป็นของเราไปหมดจะเดือดร้อนขนาดไหนสมมติ <im Arabic> ถ้าป่านะ <im Arabic> ที่เราขับรถมากันนะไฟไหมป่าก <tober> ันเยอะเลยใช่ไหมถ้าถือว่าป่านั้นเป็นของเราเนะีเราจะเดือดร้อนขนาดไหนเอ๋อนะโอ้ยต้นนั้นตนน้ น, ตนเราเราชอบด้วยต้นนั้นเราก็รักด้วยนะ <im univers> ใช่เราป่วยมาตลอดทางเลยนะถ้าใ น, นบ้านก็ของเราถนนก็ของเราอะไรก็ของเราหมดนะจะทุกข์ขนาดไหน ถ้าไม่ยึดถือแล้วจะมีความสุขขนาดไหนเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คำว่าไม่ยึดถือเนี่ยพูดถึงถึงว่ายึดถือด้วยอํานาจฉั้นทราคานะไม่ใช่ไม่ยึดถือแปลแบบไม่ต้องสนใจไม่รับรู้ไม่ใช่นะแต่ว่าไม่มีฉันทราฆาในสิ่งนั้นเลยอ่ะจะมีความสุขสักขนาดไหนเนี่ยนะก็ถ้าอมองมองง่ายๆในหนึงนะถ้ามองตาหูจมูกเล้นกายใจเหมือนนี้สินเนี่ยนะ ถ้าปลดออกหมดแล้วมันจะสบายใจขนาดไหนเนี่ยนะมันจะโรคขนาดไหนเนี่ยนะถ้าบอกว่าตาหูจมูกเลนกลายใจคือโรคอะนะถ้ารักษาหายแนละ้วมันจะสบายขนาดไหนเนี่ยนะแต่ต้องคํานึงว่ามันคือตัวโรคใช่ไหมเมื่อไร่นะเห็นความคิดของเราเ่อเออเนี่ยเจ้าโรคพอจะเห็นเข้าว่าไงอาจารย์สอนว่าเออนี่โรคคือความคิดนี่แหลวนะว่เาเห็นว่าความคิดเป็นโรคมานานแล้วนะเพรานะามันลืมบ่อย แล้วตอนที่คิดอะไรได้ดีๆอ่ะเห็นเป็นโรคด้วยไหมไม่ <laughs> ต้องเห็นตอนที่มันดีๆแต่กิเลสเขาล่ากับปียรูปสาตรูปอ่ะ <laughs> ตอนที่โทสะเกิดเนี่ยเออนี่แหละโรคนะแต่นี้ตอนโลภเกิดก็เออโรคตอนกุศลเกิดก็ยังโรคอกอยู่ที่แล้วไงใช่เพราถ้ารับอะไรนะรับที่สบายเมื่ อ, อไหร่นะ มีความสุขเมื่อไหรเออนี่โรคมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยคือสมุดฐานของโรคเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหรก็ก็พอมีเขาบ้างแล้วเพราะฉะที่ผู้ที่จะปิดกั้นได้ก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้อ่ะนะว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีแล้วก็ปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะนะไม่ให้อาสวะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดทุกทวารเนนะี่ยเพราะในจุลนิเทศใน เนติปกรณ์เนี่ยคำว่าปิดกั้นด้วยปัญญาหมายถึงปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็สแสดงไว้ ส, สูงสุดไว้ก่อนใช่ไหมสมมติถ้าพูดวิสุทธินะก็เราก็พูดถึงญาณทัศ น, นวิสุทธิข้อที่7เอาไว้ก่อนเนี่ยนะก็ก่อนที่จะมาถึงญาณทัศ น, นวิสุทธิ์ได้ก็ต้องมาจากปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธิไล่มาเรื่อยจนถึงทิฏวิสุทธิเป็นต้นนั่นเองเนะก็เอาปิดกั้นด้วยชั้นสูงเอาไว้ก่อนแต่ใครจะทําได้เท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่ฐามนะ เ <c oughs> ชื่อว่ามีความสุขนะคือถึงแล้วซึ่งความสุขเพราะปิดบังได้ตามนัยะดังกล่าวแล้วนั่นแลเพราะความเป็นผู้พร้อมเพียงด้วยความสุขที่ปราศจากกิเลสนะเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรเนี่ยนะคือพระอรหันเนี่ยนะท่านท่านสวยความสุขโดยที่ไม่มีอมิตรเลยอ่ะนะคิดดูอมิตรคือสังขารทั้งหลายใช่หสังขาร น, นะถ้าถ้า ถ้าจิตของผู้ใด ย, ยังมีสังขารเป็นอารมณ์จิตเหล่านั้นชื่อว่าจิตยังมียมิตรเนะี่ยเพราะอารมณ์อันนั้นเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของเรียกว่าเป็นที่โคโจรของพยามานอยู่ดีนยะอย่างเช่นรูปารมณ์นะรูปารมณ์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจริญสมถาวริปัสนาอ่ารูปารมณ์อั น, นั้นก็เป็นที่โคโจรแห่งกุศลใช่ไม้มรูปารมณ์มันเดียวกันนั่นแหละถ้าโายนิโสมนัิการเกิดก็เป็นที่โคโจรแห่งอาคุศล รูปอารมนั้นน่าปรารถนาสุภาพนิมิตก็เกิดรูปอารมมา น, นั้นถ้าไม่น่าปรารถนาโทสะก็เกิดถ้าไม่พิจารณาอารมณ์โมหะก็โคจรเข้ามานะพมันรูปอารม์ทั้งหลายจึงถือว่าเป็นแดนของพญามารอยู่ดีนั่นนะวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามเรียกว่าโลกามิตใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นที่โคจรแห่งกิเลสกุศลก็โคจรกิเลสก็โคจร น, นะนะแต่ถ้าพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วกิเลสก็ไม่ต้อง อันนะกิเลสไปไม่ถึงอนนะกิเลสไม่มาโคโจรด้วยหรอกอันนะั้นี่กิเลสไม่มีนี่พานเป็นอารมณ์อะไรเนี่ยนะนี่ต่อไปว่าเออก็เพราะความที่เอ่อเพราะเหตุที่ถึงความสุขแล้วนั่นเองจริงชื่อว่าสงัดจากลมได้แก่มีความประพฤติอ่อนน้อมลมนี่มันทำให้เกิดอะไรลมนะถ้าอะไรถูกลมสูบเข้าไปเป็นยังไงมันพองขึ้นใช่ไหย ม, มันพอง เพลินความประพฤตอ่อนน้อมเพราะมีความเมาคือมานะความดืดดันและความแข็งดีอันขจัดได้แล้วเนี่ยนะสัดจากลมเหมือนนะลมคือมานะใช่ไหมมันพองขึ้นพองขึ้นนะบอกว่าโอ้มนุษย์นี่ถ้าเทียบในระดับโลกนี่ยอ้ตัวนี้เดียวนะถ้าเทียบระดับจักรวาลนี่โอ้เปรี่ยวกับฝุ่นไม่ได้เลยแต่ว่ามานะมันใหญ่กว่านั้ น, นอีกเั้นมันทำให้พองเนี่ยนะ ก็พระเถระเมื่อจะแสดงว่าก็แนวทางอันนี้สาเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุเพียงระวังกิเลสอย่างเดียวก็หาไม่ได้โดยที่แท้แล้วสาเร็จเพราะความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีด้วยสมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยมัคอันเลิศและเพราะความเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ทั้งปวงด้วยปัญญาอันสัมปยุทธ์ด้วยมัคอันเลิศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมาธิในขณะไหนในขณะ อรหัตตะมักปัญญาขณะไหนก็คือขณะอรหัตตะมักนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจิตของเราตั้งมั่นแล้วหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะจิตตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นเองเพิ่งเห็นความในคาถานี้อย่างนี้ว่าก็ข้าพเจ้าผู้เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยคิดว่าบัดนี้เราทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วดังนี้ก็หาไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ โดยที่แท้แล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่คือเป็นผู้มีความอุตสาหะเกิดแล้วในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในเวลาเที่ยวพิขาจารย์ก็ยับยั้งอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมอย่างเดียวตามลำดับเรือนใช่ไหมท่านไม่ได้ขี้เกียจ น, นะท่านยังแสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายในขณะแม้กระทั่งไปเที่ยวบินทบาต ท, ท่านก็เข้าเมตตาฌานเป็นต้นเนี่ย ทุกเรือนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรหรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ท่านก็จงยังฝนให้ตกคือยังสายฝนให้หลั่งไหลโดยชอบเพื่อกระทำความน่ารักสำหรับเราอีกครั้งเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้เข้าไปอาศัยน้ำฝนเนี่ยเป็นอยู่อันทว่าโดยสรุปนะบอกว่ากุฏิของเราเนี่ยมุงบังดีแล้วเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ย กล่าวว่าพระเถระแสดงอธิศีลปศิขาของตนโดยประเภทที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะศีลเนี่ยแบ่งเป็นศีลทั้งที่เป็นโลกิยะและศีลที่เป็นโลกุตระนั่นเองศีลที่เป็นโลกิยะก็แบ่งเป็นจารีตศีลและวารีตศีลส่วนศีลที่เป็นโลกุตระเป็นวารีตศีลอย่างเดียวเนี่ยนะโลกุตระนะเป็นวีรตีอย่างเดียวแต่ศีลที่เป็นโลกิยะเป็นทั้งจารีตศีลและ วาเรศินเป็นทั้งสังวรศินอวีติกมะศินเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยเป็นการแสดงถึงอธิจิตตสิกขาบอกว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วอันนี้เป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขาบทว่าอาตาปีวิหรารมิเนี่ยเราอยู่ด้วยความเพียรเนี่ยนะแสดงถึงการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอีกในหนึ่งบอกว่ากุติของเราเนี่ยนะ เราเนี่ยอยู่เป็นสุกุติของเราเนี่ยมุงบังดีแล้วไม่มีลมเนี่ยอันนี้หมายถึงอนิมิตาวิหารเพราะการเพิกนิมิตมีนิมิตว่าเที่ยงเป็นต้นโดยมุก ค, คือการปกปิดไว้ซึ่งฝนคือกิเลสเห็นไหมท่านบอกว่าท่านเพิกนิมิตหมดเลยอห็นไนิมิตว่าเที่ยงท่านก็ละหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่มุงบังให้กิเลสคือฝนคือกิเลสมันรั่วรดเลย บอกว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นดีแล้วอันนี้ก็หมายถึงอัปปนิหิตาวิหารเนี่ยนะบอกว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นแล้วเป็นชื่อของสุญยตาวิหารมั้นคําเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงอะไรอ น, นิมิตตาวิหารอัปปนิหิตาวิหารและสุญยตาวิหา ร, าหารอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอรหัตผลสมาบัติคือท่านสามารถที่จะพิจารณาไม่เที่ยงแล้วเข้าสมาพระสมาบัติได้ จะพิจารณาว่าเป็นทุกข์เข้าพระสมาบัติก็ได้จะพิจารณาว่าเป็นอ น, นัตตาเข้าพระสมาบัติก็ได้พิจารณารูปประคันว่าไม่เที่ยงแล้วเข้าพระสมาบัติก็ได้พิจรารณารูปประคันว่าเป็นทุกข์เข้าพระสมามบัติก็ได้พิจรารณารูปประขันว่าเป็นอนัตตาเข้าพระสมามบัติก็ได้พิจารณาน า, ามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเข้าพระสมามบัติท้าฐานทาได้หมดเลยเห็ <sondern S 2> นคือนิพพานเนี่ยในฐานะเป็นอารมณ์ แต่คําว่าอปปะนิหิตามิหานี่หมายถึงตัวพระสมาบัติตัวผล น, นะนะผ ล, ละจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองบทว่าอาตาปีวิหารามิแสดงถึงอุบายเครื่องบรรลุวิหารธรรมสามอย่างนั้นนะว่าที่ท่านได้เข้าวิหารธรรมนั้นนะ่ะเพราะท่านมีความเพียร น, นะอีกอย่างหนึ่งวิหารธรรมข้อแรกหมายถึงการละราคะนะที่บอกว่าอานิมิตาวิหารเนี่นะ หมายถึงการละราคะวิหารธรรมข้อที่สองเป็นการละโทสะวิหารธรรมข้อที่สามเป็นการละโมหะจริงๆอ่ะไออันนี้วิหารธรรมข้อแรกคืออ น, นิมิตะเนี่ยนะน่าจะเป็นการละราคะนะข้อที่สองคืออัปปนิหิตะคือโดยความเป็นทุกข์ก็พิจารณาละราคะถ้าสุญญ า, าวิหารก็ละโมหะ ดวยวิหารธรรมข้อที่สองหรือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองถอหมายถึงธรรมะวิหารธรรมวิหารสมบัติส่วนข้อที่สามก็คือวิมุตสมบัติเนี่ยนะเพราะฉนะคําคำว่าอาตาปีวิหารามิแปลว่าผู้ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะประโยชน์ตนท่านทำเสร็จแล้วบทว่าอายสมาอายสมา เป็นคำกล่าวที่น่ารักคำนี้เป็นคำกล่าวของผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในฐานะครูเพราะฉะนั้นคำว่าผู้มีอายุเนี่ยไม่ได้แปลมาจากว่าอาวุโสเป็นต้นนะไม่ใช่ว่าอาวุโสอย่างเดียวมาจากอายสมาถ้าอายสมาตรงใดเนี่ยให้รู้เถอะว่าคนนั้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเขาอยู่ในตำแหน่งครูนะตำแหน่งครูตำแหน่งอาจารย์นะอย่างอายสมาสารีบุตรยางไงนะอายสมากัสปะยังงอายสมาโมคลานะเนี่ย อันนี้หมายถึงท่านอยู่ในตำแหน่งของครูของสมัยนั้นเนี่ย น, นะครูนี่ก็มาจากครุนะครุก็แปลว่าหนักหรือเคารพนั่นแหละครุเคารพก็คือคารวะหนักเป็นเป็นผู้ที่คนทั่วไปเนี่ยทําทท่านให้เป็นที่เป็นที่หนักแน่น น, น, นะนก็ท่านพระสุภูตินั้นน่ะโดยสรีระสมบัติท่านก็น่าชมเนี่ย น, นะแม้โดยคุณสมบัติท่านก็น่าเลื่อมใส ด้วยประการดังนี้ท่านจึงปรากฏนามว่าสุภูติเพราะประกอบด้วยสรีระร่างกายงดงามเป็นที่เจริญตาและคุณสมบัติมีศีลเป็นต้นเป็นที่เจริญใจเนี่ยนะสรีระน่าชมคุณก็น่าเลื่อมใสร่างกายก็เจริญตาศีลเป็นต้นก็เจริญใจพราะงั้นปรากฏชื่อว่าเป็นพระเถระเพราะประกอบไปด้วยคุณธรรมอันมั่นคงเนี่ยนะเถระก็เนื่องจากท่านมีสาระที่มั่นคงอะนะ สาระคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นเองถามว่าก็เพราะเหตุายรพระมหาเทระเหล่านี้จึงประกาศคุณทั้งหลายของตนทำไมต้องเหมือนกับอวดตนน่ะนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะตอบว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีความมักน้อยอย่างยิ่งประกาศคุณของตนด้วยมสามารถแห่งการพิจารณาถึงโลกุตระธรรมอันตนไม่เคยได้บรรลุโดยกานาน โดยกา ร, รยาวนานนี้ล้าลึกอย่างยิ่งสงบประณีตเหลือประมาณอันตนได้บรรลุแล้วแป่งอุทานโดยที่กําลังปีติกระตุ้นเตือนแล้วและด้วยคามสามารถแห่งการยกย่องว่าคําสอนเนี่ยเป็นนิยา น, นิกรรมนันะคือยกย่องว่าเออก่อนแรกก่อนบอกหูพระนิพพานหรือโลกุตระธรรมนี่สงบประณีตล้ําลึกเหลือเกินน่ยนะแล้วก็ยกย่องว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ นำสัตว์ให้ออกจากภพได้จริงนะอนนะยกคำว่านิยานิยานิยากัดโถเนี่ยนะนิยานิกะนิยากัดโถ ท, ที่อริยมรคนี่นำออกจากทุกจริงจริงพระโลกนาฏประกาศคุณของพระองค์ด้วยคำเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพลยานสิบเป็นผู้แกล้วกล้าเพราะเวสารัชยานสี่เนี่ยนะด้วยามสามารถแห่งอัธยาสัยที่เป็นไปเพื่อให้สัตว์ได้บรรลุมรคผลฉันใด พระพุทธเจ้าที่อวดคุณเนี่ยที่กล่าวถึงคุณของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้สัตทินรียเขามีกําลังยิ่งขึ้นเขาจะได้มั่นใจในพระองค์แล้วปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลพระเถระทั้งหลายที่ท่านเปล่งอุทานก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าคําสอนของพระองค์นี้ที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัตินั้นได้ผลสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้จริงนะว่างั้นนี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในสุปภิหุตเถระคาถาเนี่ยนะ